ฉันเกิดในรัชการที่เก้าฉันเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยอยู่ตายร่มพระโพธิสมภารมีพอ่อหลวงยึดเดียวหัวใจท่านทรงรักและห่วงใยประชาชนสิบา ลาที่พัน ผ, นผ่านหัวใจฉันแตกสลายตะวันที่เคยส่องแสงดับมืดมิดวงทันใดพ่อของแผ่นดินไทยจากไปแล้ว แค่ขอให้พอได้ยินแป่ร้องไหน้ำตาไหลทั่วแผ่นดินแต่อยากจะร้องเพลงให้พ่อได้ยินว่าฉันรักพ่อ ากจะร้องเพลงให้พ่อได้ยินว่าฉันรักพ่อจากนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรฉันคงต้องเดินต่อไปจากจดจำคำสอน ของพ่อที่บอกไว้ฉันจะเป็นพลังของไทยตลอดกาลจะเป็นคนดีของพ่อและประเทศไทย แต่อยากจะร้องเพลงให้พอได้ยินว่าฉันรักพอเพลงเลงนี้คือเพลงของพอ่ออยากแค่ขอให้พอได้ยินแม่รองไห้น้ำตาไหลทั่วแผ่นดินแต่อยากจะร้องเพลงให What I o c k p o s t พอได้ยินแป่ร้องไายน้ำตาไหลท่วมแผ่นดินแต่อยากจะร้องเพลงให้พอได้ยินว่าฉันรักพอ